คุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่างๆนะคะวันนี้บีมีฝากฝั่งของผีที่น่ากลัวน่ากลัวมาฝากคุณผู้ฟังเป็นเรื่องสั้นๆค่ะลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างก็แล้วกันขอเล่าถึงประวัติผีผีตัวนี้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องรู้จักกันดีถ้าหากว่าใครที่เคยไปเที่ยวที่อินโดนีเซียผีตัวนี้มีชื่อว่ากุนตีลานักนะคะซึ่งเป็นผีสุดเฮี้ยน ระดับตำนานตามความเชื่อของประเทศอินโดนีเซียซึ่งเกิดจากสาวสวยที่ตายระหว่างตั้งครรค่ะกุนตีลานักมักจะอาศัยอยู่ในต้นกล้วยเหมือน ก, นกันกับตานีบ้านของเราใส่ชุดคลุมสีขาวยาวๆผมก็ยาวๆปิดหน้าโดยมีผิวสีขาวซีดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเสียงร้องไห้เบาๆหรือว่าเสียงสุนัขคลางยิงิงเนยค ะ, ะแสดงว่าผีกุนตีลานักเริ่มเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณแล้วล่ะค่ะ และถ้าหากได้ยินเสียงเด็กทารกร้องไห้เสียงดังหรือสุนัขหอนโดยไม่มีสาเหตุหมายถึงผีกุนตีลานักได้เข้ามาในอาณาเขตบ้านของคุณแล้วสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็คือผีกุนตีลานักเนี่ยชื่นชอบการควักลำไส้เป็นที่สุด ด้วยความที่เธอมีเล็บยาวแหลมคมถ้าใครที่โชคร้ายบังเอิญไปสบตากับผีรายนี้ก็จะโดนควักลู ก, กตาออกไปกินแถมยังโดนดูดสมองออกไปด้วยนะคะยิ่งถ้าเหยื่อเป็นผู้ชายจะแถมด้วยการทําร้ายอวัยวะเพศอย่างโหดร้ายเข้าไปอีกค่ะบางความเชื่อคุณผู้ฟังเล่ากันว่ากุนตีลานักเลือกเหยื่อของเธอจากกลิ่นเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ ชาวอินโดนีเซียจึงมักจะไม่ยอมตากเสื้อเอาไว้นอกบ้านในเวลากลางคืนอย่างเด็ดขาดโดยปกติเนะคะผีตัวนี้ชอบที่จะยืนรอเหยื่อให้เดินเข้าไปติดกับเองมากกว่าแต่เนื่องจากกุนตีลานักมักอาศัยอยู่ในต้นกล้วยวิธีกำจัดวิญญาณของเธอก็คือโคนต้นกล้วยที่น่าสงสัยทิ้งซะซึ่งต้นกล้วยที่มีกุนตีลานักอาศัยอยู่นั้นจะมีอาการแคระเกรนไม่สามารถออกดอกออกผลอย่างที่ควร การทำลายต้นกล้วยทิ้งที่ถูกผีสิงเนี่ยก็เหมือนการทำลายวิญญาณของกุนตีลานักไปด้วยซึ่งก็คือวิธีการที่ชาวบ้านเชื่อนะคะว่าจะไม่ถูกเธอเนี่ยคอยตามหลอกลออสั่นประสาทอีกต่อไปกุนตีลานักผีสุดเฮียนระดับตำนาน ตามความเชื่อของประเทศอินโดนีเซียเรื่องผีกุนติลานักก็ได้ถูกนําไปทําเป็นภาพยนตร์ในชื่อว่ากุนติลานักกระจกส่องตายซึ่งเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเด็ก5คนที่ไปลองของท้าพิสูจน์ในบ้านร้างว่าผีกุนติลานักเนี่ยมีจริงหรือไม่เพื่อชิงเงินรางวัลก้อนโตจากรายการทีวีแต่ว่าพวกเขาต้องพบกับความสยดสยองที่หมายปองถึงชีวิต จากสิ่งที่คลืบคลานออกมาจากกระจกโบราณและนี่ก็คือเรื่องเล่าก่อนที่เราจะนำเรื่องอื่นๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ í, ีกุนตีลานักเป็นเรื่อ ง, องความเชื่อจากประเทศอินโดนีเซียค่ะกลับมาสู่เรื่องปกติที่เราจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังบนช anel พระเจอผีได้ฟังกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณ อ, อมค่ะ คุณออมเล่าว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคุณแม่คุณออมย้อนกลับไปเมื่อสัก40ปีที่แล้วสมัยที่คุณแม่ยังเป็นสาววัยรุ่นเลยนะคะใช้ชีวิตตามประสาคนต่างจังหวัดค่ะซึ่งสมัยนั้นความเจริญยังเข้ามาไม่ถึงเท่าที่ควรเรียกได้นะคะว่ายังมีพรานล่าสัตว์ยังมีเสือสมิงและแม่ก็เป็นลูกคนที่สองจากบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนถ้านับตามลำดับนะคะป้าแม่ หรือว่านาผู้ชายแล้วก็านาผู้ชายคนสุดท้องโดยจริงๆแล้วยายเคยมีลูกถึง4คนก่อนหน้าแต่ว่าเสียชีวิตหมดอายุไม่เท่าไหร่ก็ป่วยเป็นไข้เสียชีวิตไปจากไปก่อนวัยอันควรค่ะซึ่งหมอทําในสมัยนั้นนะคะก็ทักว่ายายเนี่ยเป็นคนมีดวงผีเสื้อสมุดก็คือดวงกินลูกตอนนั้นที่ลูกๆเสียหมอทําก็ตัดแบ่งร่างแยกส่วนกันแล้วก็แยกฝังคนละทิศเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกลับมาเกิดอีก แต่จนแล้วจนรอดคุณผู้ฟังหมอทำเลยต้องทำพิธีที่ยายค่ะเพราะฉะนั้นยายจะไม่มีลูกเลยสักคนหนึ่งจนท้ายที่สุดก็มามีเหมือนเดิมค่ะมีป้ามีนา้าแล้วก็มีแม่ทั้งหมดสี่คนก็อยู่รอดจนถึงปัจจุบันนี้เข้าเรื่องกันเลยก๊าละการคุณออมบอกว่าสมัยนั้นนาข้าวแล้วก็ไรส่สวนเนี่ยจะอยู่ไกลบ้านมากยายกับลูกทั้งหมดต้องเดินทางไกลไปกลับระหว่างบ้านกับนาหลายกิโล บางครั้งเหนื่อยกลับไม่ไหวก็นอนค้างมันที่บ้านญาติแถวนั้นเลยละกันแล้วค่อยกลับตอนย่ำรุง่งไม่ค่อยนอนที่เพิงพักที่สร้างไว้เพราะว่าเคยโดนผีหลอกจนต้องวิ่งออกมาอยู่กลางถนนก็เลยไปนอนค้างบ้านญาติซะเห็นจะดีกว่านะคะจนคืนหนึ่งคุณผู้ฟังคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายค่ะฟ้าเปิดแม่นี่อยากกลับบ้านแต่ว่ายายกับพี่น้องนี่กลับไม่ไหวค่ะแกก็เลยดื้อกลับเองเลย ยายพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าแม่เป็นคนที่ดือ้อและรั้นที่สุดในบรรดาลูก4ี่คนเมื่อไม่มีใครกลับด้วยแกก็เลยเดินกลับคนเดียวโดยใช้เส้นทางเดิมเดินผ่านเนินเขาซึ่งสองข้างทางนี่เป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนั่นๆนะคะจะมีบ้านสักหลังหนึ่งแต่ว่าด้วยที่เป็นคืนเดือนงายแล้วก็เงียบสงดค่ะคุณผู้ฟัง แม่ก็เดินมาได้ครึ่งทางก็ปวดฉี่เลยหาที่เหมาะตรงข้างทางแม่มองหาได้ชั่วครู่ก็เห็นตรงขอนไม้ที่มันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งล้มนอนอยู่แม่เห็นอย่างนั้นก็เลยตรงเข้าไปนั่งยองๆข้างต้นไม้ต้นนั้นละ่ะค่ะพอเสร็จสับกำลังจะลุกออกมาไม่ทันจะก้าวขาเดินก็มีเสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้หญิงตะโกนเรียกมาจากตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่แม่เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรก็ขานรับและก็ถามกลับไปว่านั่นใคร แต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับกลับมาก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่ได้สนใจก็เลยเดินกลับบ้านปกตินะคะหลังจากคืนนั้นแม่มาถึงบ้านได้ 2-3 สาวันแม่ก็ล้มป่วยลงโดยไม่มีสาเหตุใดๆ ไ, ไม่ยอมกินข้าวกินปลารักษากับยาอะไรก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นคุณแม่เล่าต่อนะคะว่ายายเล่าให้แม่ฟังบอกว่าวันต่อมาเนี่ย แม่เริ่มเพ้อถอดเสื้อผ้าออกจนหมดใส่ให้ยังไงก็ถอดใส่ให้ยังไงก็ถอดแม่แต่เอาผ้าห่มไปห่มให้ก็ไม่เอาก็บ่นเพ้อว่าร้อนร้อนๆ้อนนะคะป้ากับน้าก็ได้แต่ยืนดูแม่จนญาติคนอื่นที่รู้ข่าวนี้มาเยี่ยมไข้ก็เห็นท่าไม่ดีก็บอกยายว่าควรพาไปโรงพยาบาลนะยายก็เลยเห็นด้วยก็เข้าไปหาแม่บอกว่าให้ใส่เสื้อผ้าจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแม่ก็ส่หน้าอย่างเดียวบอกไม่ไป ญาติคนอื่นก็เลยพากันลากขึ้นรถแม่ก็ดิน้นบนรถนี่แหละบอกไม่ไปไม่ไปตลอดทางจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลค่ะแม่ก็ดีขึ้นชนิดที่ว่าเกือบหายเองจนยายเองก็ยังแปลกใจก็เลยพากลับมาบ้านแต่เมื่อพามาถึงบ้านแม่ก็กลับเป็นเหมือนเดิมค่ะคือถอดเสื้อผ้าแล้วก็เพอ้ออยู่คนเดียวจนมีญาติคนหนึ่งเห็นท่าไม่ดีแล้วละ่ะเลยพูดกับยายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่เนี่ยมันไม่ปกติยาอะไรก็รักษาไม่ได้ หมอรักษาคนธรรมดารักษาไม่หายสงสัยจะต้องใช้หมอผีหรือว่าหมอธรรมเป็นผู้รักษาแล้วยายที่ตอนนั้นเนี่ยจนใจแล้วก็สับสนค่ะก็ให้ญาติคนนั้นเนี่ยไปตามหาหมอธรรมมาเมื่อหมอธรรมมาถึงยายก็ให้ญาติพาไปหาแม่ซึ่งอยู่ด้านในทันทีเลยนะและก็ทันทีเหมือนกันค่ะที่หมอธรรมเดินเข้าไปในบ้านแม่ซึ่งกาลังเพอ้ออยู่ก็หยุดเพอ้อแล้วก็หันมามองหน้าหมอธรรมนิ่งเงียบ หมอทำนั่งตรงลานหน้าแม่แล้วก็ถามลงไปบอกเอ็งเป็นใครมาจากไหนแม่ไม่ตอบนิ่งแล้วก็เงียบหมอทำถามอีกหลายรอบจนหมอเนี่ยถอนหายใจค่ะแล้วก็พูดว่าถามดีๆแล้วจะตอบดีๆหรือจะให้สั่งสอนก่อนถึงจะตอบในที่สุดนะคะแม่ก็ยอมตอบบอกว่ามาจากตรงนั้นที่แม่ไปฉี่แม่ฉี่รถเขาเขาก็เลยกโกรธก็เลยตามแม่มา หมอก็เลยบอกว่าปล่อยแม่ไปเถอะยกโทษให้แม่หน่อยแม่ไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการหากจะอยู่เบียดเบียนต่อไปนีม่มันจะเป็นบาปต่อกันหลังจากนั้นหมอก็พรมน้ำมนต์ให้แล้วก็หันมาพูดกับคนที่อยู่ตรงนั้นว่าให้แม่นอนได้แล้วหายแล้ว หลังจากเหตุการณ์ในคราวนั้นจนปัจจุบันนี้แม่ยังพูดเลยนะคะว่าหลังจากหายเป็นปกติแทบไม่กล้าย่างกรายเดินเฉียดขอนไม้ใหญ่นั่นอีกเลยแต่แม่ก็ไม่เลิกนิสัยไม่กลัวนี่นะคะอะไรแปลกๆกลางค่ํากลางคืนทักตลอดแม้แต่ยายจะห้ามยังไงคุณแม่เองก็ยังไม่ฟังว่าคุณยายจะห้ามไม่ให้ทักเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่บีจะเล่าต่อไปนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่บีเองขออนุญาต ถอดความเรื่องเล่าจาก The Chalk แล้วก็ The Ghost Radio ชุดที่3 7นะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งหลายๆท่าน อาจจะไม่ได้ฟังสดหรือว่าไม่ได้ฟังย้อนหลังบน YouTube ของช่องนั้นนะคะบีเองขออนุญาตถอดเป็นตัวหนังสือเพื่อที่จะมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้ที่ถอดเนื้อความในรายการนั้นเป็นตัวหนังสือโดยสมาชิกบน พันทิพย์นะคะกระทู้ผีที่ใช้ชื่อสมาชิกว่าคนอ่านผีนะคะฝากคุณผู้ฟังพระเจอผีไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจคนอ่านผีด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของคุณโนตค่ะเป็นประสบการณ์ถนนสายหลอนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีแถวแถว ถ, ถนนสายที่เกิดเหตุคนในพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่ง เล่ากันนะคะว่ามีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากเลิกงานในช่วงเย็นเธอคนนี้เนี่ยก็ได้ก้าวเท้าลงจากรถของบริษัทซึ่งแฟนหนุ่มได้รออยู่อีกฝั่งของถนนเธอก็เลยเดินข้ามถนนไปหาแฟนโดยที่ไม่ได้มองรถบนถนนให้ดีซะก่อนปรากฏค่ะว่ามีรถกระบะพุ่งเข้าชนที่ลำตัวอย่างจางังจนลำตัวท่อนบนนิบบิดกลับหลังเลยนะคะ ปกติคุณโนตนี่เป็นคนจังหวัดอ่างทองค่ะแต่ว่าได้เดินทางไปเที่ยวงานประจำปีที่จัดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีไปกันทั้งหมดประมาณ6คนได้นั่งอัดกันไปในรถกระบะคันเดียวไปถึงงานก็ประมาณช่วงเย็นทุกคนเดินเที่ยวกันจนเวลาย่างเข้า5้าทุ่มเสร็ จ, รจก็เลยชวนกันกลับนะคะ คุณโน้ตเองเนี่เป็นคนขับรถค่ะก็ค่อยๆขับรถออกมาจากงานถนนหนทางเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่อะไรมากมายนกัก น, นะคะแล้วก็ไฟทางก็มีอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ห่างๆกันไปจนมาถึงโค้งแห่งหนึ่งค่ะซึ่งมีสารไม้เก่าๆอยู่หลังหนึ่งแล้วก็ต้นไม้ที่ลำต้นค่อนข้างใหญ่แผ่กิ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณผุดขึ้นเป็นฉากหลังให้กับสารทาให้โค้งแห่งนี้เนี่ยดูน่ากลัวพิลึก คุณโน้ตขับเข้าโค้งปกติแต่นึกยังไงก็ไม่ทราบได้ถึงเล่าเรื่องผู้หญิงที่โดนรถชนจนตัวบิดให้เพื่อนๆในรถเนี่ฟังบอกว่าเฮ้ยเนี่ยได้ยินเรื่องเล่ามาบอกว่าตรงนี้นะมันมีคนตายแบบนี้แบบนี้คุณโน้ตก็ขับรถไปตามทางมืดๆแล้วก็เล่าเรื่องของผู้หญิงคนนั้นไปด้วยค่ะแม้ว่าเวลานี้ยังไม่ดึกเกินไปแต่ถนนกลับโลง่งผิดปกติไม่มีผู้ร่วมทางขับรถสวนมาแม้แต่คันเดียว สองข้างทางเป็นทุ่งนาโล่งเตียนมืดทึบมีต้นไม้ขึ้นเป็นช่วงๆจังหวะนั้นน่นะคะสายตาคุณโน้ตก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ในมุมมืดทางอ่าข้างทางโดดๆเลยคือลักษณะผมยาวใส่ชุดพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งแขนทั้งสองข้างลู่ลงข้างลำตัวเหมือนกับประมาณเหยียดลงอะค่ะแนบชิดข้างลาตัวคุณโน้ตก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนากัก น, นะคะเพียงแค่พูดออกมาเบาๆบอกว่า ผู้หญิงที่ไหนมายืนอยู่คนเดียวมืดๆว่าคุณโนตก็ขับรถไปตามทางเรื่อยๆนะคะด้วยความเร็วประมาณสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าจังหวะนั้นคุณโนตก็มองไปที่กระจกสองหลังภาพในกระจกเนี่ยฉายให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในมุมมืดเมื่อสักครู่เนี่ยกําลังเดินตามหลังรถมาอย่างช้าๆแต่ที่ทาให้คุณโนตต้องขนลุกไปทั้งตัวคือ ทั้งๆ ท, ท, ที่ขับรถอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับเดินตามหลังได้อย่างสบายแถมยังใกล้เข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะใกล้จนแทบจะเอื้อมมือจับท้ายกระบะรถได้คุณนศตกใจกลัวค่ะจึงรีบเร่งความเร็วขึ้นอีกเพื่อต้องการจะหนีอะไรสักอย่างหนึ่งที่กำลังตามหลังมาอย่างติดๆจนเหมือนจะทิ้งห่างออกมาได้พอสมควรแต่คุณนตต้องสะดุ้งจนสุดตัว เพราะจากที่เธอค่อยๆเดินตามหลังรถอยู่กลางถนนแต่ว่าตอนนี้เธอก็ออกวิ่งเต็มที่ค่ะจนใกล้กระบะหลังมาเรื่อยๆคุณโน้ตหันไปมองเพื่อนที่อยู่ภายในรถก็พอจะเดาออกว่าเพื่อนเนี่ยก็คงจะเห็นเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยนั่งตัวสั่นก้มหน้านิ่งไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาแม้แต่คําเดียวค่ะ ถนนในเวลานั้นเงียบสนิทนะคะมีไฟทางสีส้มส่องสว่างอยู่เป็นช่วงห่างๆกันคุณโนตก็คิดในใจว่านี่มันนานแค่ไหนแล้วที่ไม่เห็นผู้ร่วมทางคนอื่นขับรถสวนมาบ้างเลยก็พยายามแข็งใจขับรถต่อไปเรื่อยๆด้วยตัวที่สันเทาแต่ก็มีบางครั้งที่แอบเหลือบไปมองกระจกหลังเพื่อดูนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นวิ่งมาถึงหลังรถหรือ ย, ยังหรือว่าเธอกระโดดขึ้นมานั่งอยู่ท้ายกระบะแล้ว พลันสายตาก็มองเห็นแสงไฟหน้ารถคันหนึ่งค่ะที่ขับตามหลังอยู่ไม่ไกลแสงไฟของรถคันที่อยู่ด้านหลังเนี่ยฉายส่องกระทบกับลำตัวของเธอคนนั้นทำให้คุณโน้ตช็อกกับภาพที่เห็นจนร้องเฮ้ยออกมาดังๆภาพที่คุณโน้ตเห็นก็คือลำตัวช่วงบนของเธอคนนั้นหันมาทางคุณโน้ตเป็นปกตินะคะแต่ว่าช่วงเอวลงไปเนี่ยจนถึงเท้ากลับหันไปข้างหลังกาลังวิ่งแบบกลับหลังตามมาติ ด, ตด ใบหน้าซีดเผือดเหมือนไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยลูกกระตาดตําโตเป็นไข่เป็ดจนแทบจะถลนออกมานอกเบ้าเสียะยิ้มกว้างเห็นฟันขาวเรียงเป็นซี่เป็นภาพที่น่ากลัวน่าขนลุกขนพองที่สุดเท่าที่คุณโน้ตเคยพบเห็นมาคุณโน้ตบอกว่าอยากจะเรียกให้เพื่อนในรถเนี่ยหันกลับไปมองสิ่งที่ประหลาดที่วิ่งตามหลังอยู่แม้จะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนก็คงเห็นเหมือนกันหมดแต่ก็ยังอยากแชร์ความน่าหวาดกลัวที่มีอยู่จนจุกอกอก อ, อกไปบ้างสักนิดนึงก็ยังดี คุณน็ตก็พยายามพูดออกมาค่ะแต่ก็ทำได้เพียงแค่อ้าปากเท่านั้นไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากลำคออาจจะเป็นเพราะว่ากำลังอยู่ในอาการช็อกก็เป็นได้นะก็ประคองรถไปบนถนนเรื่อยๆค่ะสักพักหนึ่งรถคันที่ขับตามอยู่ด้านหลังก็ฉีกออกขวาแล้วก็พุ่งแซงขึ้นหน้าด้วยความเร็ว คุณโนดพยายามเหยียบตามแต่กลับตามไม่ทันเหมือนผู้ร่วมทางคันนั้นเหยียบหนีอะไรบางอย่างจนแสงไฟท้ายสีแดงๆหายลับไปในความมืดเบื้องหน้าไม่นานนะคุณผู้ฟังคุณโนตก็ขับรถผ่านสารไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นฉากหลังทำให้คุณโนตเนี่ยตาเบิกโพลงทันทีเพราะแน่ใจแล้วหละว่าตัวเองเนี่ได้ขับรถผ่านจุดนี้มาแล้วแน่แน เท่ากับว่าตอนนี้กําลังขับรถวนอยู่ที่เดิมโดยมีตัวอะไรบางอย่างเนี่ยวิ่งไล่กวดตามหลังมาติดๆคุณโน้ตพยายามกลั้นใจนะคะไม่มองกระจกสองหลังเพื่อที่จะได้มีสมาธิในการประคองรถเต็มที่แต่ว่าลู ก, กตาเจ้ากรรมเอ้ยมันไม่ยอมเชื่อฟังคอยแต่จะเหลือบไปมองที่กระจกสองหลังมันก็เลยทําให้เห็นหน้าขาวซีดของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ลําตัวที่ผิดมนุษย์มานาค่ะวิ่งตามหลังมาอย่างติดๆ บางทีก็ทิ้งห่างออกไปสักระยะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งกลับมาใช้ความเร็วจ่อท้ายได้ทุกครั้งจนคุณโน้ตคิดว่าโอ้ไม่ไหวละคุณโน้ตเองก็เลยพยายามที่จะสวดมนต์ขึ้นในใจค่ะจนเหมือนว่าจะหลุดออกมาจากเส้นทางนั้นได้นะคะเธอคนนั้นก็ค่อยๆชะลอฝีเท้าลงเรื่อยๆแล้วก็หยุดยืนก้มหน้านิ่งอยู่กลางถนน คุณโนดรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะแต่ก็ยังไม่หายจากอาการหวาดผวาทุกคนในรถได้แต่นั่งเงียบมาตลอดทางจนคุณโนดไล่ส่งเพื่อนทุกคนถึงบ้านแล้วตัวเองก็ขับรถกลับเข้าบ้านคืนนั้นไม่มีใครหลับลงเลยนะคะเพราะว่าทุกคนต่างประชุมสายพูดคุยกันถึงสิ่งที่ประสบมาทั้งคืนวันต่อมาค่ะด้วยความสงสัยต่อสิ่งที่พบเจอมา ก็เลยตัดสินใจไปที่นั่นอีกครั้งโดยเข้าไปเที่ยวในงานก่อนแล้วก็ขับรถออกจากงานมาประมาณสี่ทุ่มซึ่งก็เจอเธอคนนั้นอีกเหมือนเดิมจะต่างกันก็ตรงที่ว่าวันนี้เธอวิ่งโผล่ออกมาจากข้างทางและก็วิ่งคู่ไปกับรถเลยนะคะเธอหันเข้ามามองภายในรถตลอดเวลาที่วิ่งไปด้วยพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้กับทุกคนในรถแต่ว่ามีบางจังหวะนะที่เธอเหมือนพยายามจะเปิดประตูรถแต่โชคยังดีหน่อยที่ประตูเนี่ยมันถูกล็อกไว้ ทั้งทั้งที่คุณโน้ตเร่งความเร็วเกือบจะร้อยสี่สิบแล้วนะคุณผู้ฟังเสียงลมพัดกระจกนี่ดังอื้ออึงจนเหมือนอาการหูอื้อแต่กลับมีเสียงเคาะดังก๊อกๆอกอยู่ตลอดรอบรถ ส่วนถนนในค่ำคืนนี้นะคะดูเหมือนจะเงียบแล้วก็มืดยิ่งกว่าเมื่อวานไฟถนนทุกดวงเนี่ยมืดสนิทเหมือนมันจะพร้อมใจนัดแนะไม่ทำงานเอาดืด้อค่ะไรผู้ร่วมทางคั น, นอื่นๆก็เลยทำให้เห็นเพียงแค่ลูกกระตาสีดำปนๆนสียยิ้มฟันสีขาวภายในใบหน้าสีเทาซีดซีดซึ่งมีลาตัวสีน้าตาลเข้ม วิ่งชิดติดอยู่ข้างๆตัวรถจนเพื่อนคนหนึ่งร้องไห้ครวญครางออกมาบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ลบหลู่แล้วผมขอโทษ ตัวคุณโนตเองก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันค่ะเพราะว่าตั้งใจแค่จะมาพิสูจน์เล่นๆก็ไม่ได้คิดว่าเธอจะออกมาให้เห็นจริงๆแถมครั้งนี้ยังน่ากลัวกว่าครั้งเดิมด้วยนะคะตรงที่มาวิ่งอยู่ข้างรถแล้วก็ให้มองเห็นแบบจะจะนี่แหละคะ่ะแม้ว่าตอนนั้นสติสตังคุณโนตแทบจะหลุดออกมาแล้วแต่ก็พยายามคุมสติให้ดีที่สุดเพื่อที่จะขับรถกลับบ้านให้ได้จนสักพักหนึ่งก็ทิ้งห่างออกมาได้เพราะว่าเธอคนนั้น ค่อยๆชะลอฝีเท้าลงแล้วก็ยืนก้มหน้านิ่งเหมือนเดิมคุณโน้ตขับรถไปได้สักพักหนึ่งก็เหลือบเห็นวัดอยู่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างทางก็เลยหักรถนะคะเลี้ยวเข้าไปในวัดพอดีค่ะที่จังหวะหลวงพ่อเดินลงมาจากกุฏิแล้วก็ถามพวกคุณโน้ตว่ามีธุระอะไรกันหรือเปล่าคุณโน้ตก็เลยเล่าเรื่องที่พบมาให้ท่านฟังท่านก็เลยพูดกับคุณโน้ตบอกว่าพวกคุณนึกยังไงถึงไปลองกันคราวหลังถ้าพวกคุณเล่นแบบนี้อีก หลวงพ่อเนี่ยไม่ช่วยแล้วนะ พอท่านพูดจบก็จัดแจงทําพิธีบังสุกุลเป็นให้โดยเอาผ้าขาวมาคลุมจนเที่ยงของอีกวันก็ค่อยพากันกลับเข้าบ้านนะคะจากเหตุการณ์นี้ทําให้คุณโน้ตเนี่ยประสาทเสียไม่กล้าขับรถไปอีกนานและเพื่อนคนที่ร้องให้ในรถนี่กลายเป็นคนเสียสติชอบพูดคนเดียวบางครั้งก็บอกกับคุณโน้ตว่ามีผู้หญิงเอวหักเดินกลับหลังตามอยู่ตลอดเวลาจนคุณโน้ต์เนี่เสียวหลังวาบเลยคุณโน้ตพยายามถามว่าเขาตามหลังกระไดแต่เพื่อนก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็หันไปพูดคนเดียวก็เลยไม่ ูนะะว่าเธอตามหลังเพื่อนหรือว่าตัวเองกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องที่เคยออกอากาศใน The g l o s ส Radio หรือว่า The ะช็อ k นะคะแล้วก็ถอดความเป็นตัวหนังสือโดยแฟนเพจคนอ่านผีซึ่งบีก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังบนช n นลพระเจอผีในช่อง YouTube ของเรานะคะ กลับมาเจอะเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามแลบฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่องพระเจอผีด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ